เจ็สบหพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนทั้งหลายกล่าวถึงการศึกษาเพราะการมคุณที่ผัวพันอยู่ในโลกบุคคลไม่พึงเป็นผู้ขวนขวายในการศึกษาหรือการมคุณเหล่านั้นรู้แจ้งการมโดยประการทั้งปวงแล้วพึงศึกษาเพื่อความดับกิเลส ข, ของตนว่าด้วยการศึกษาเพื่อได้การมคุณคำว่าคนทั้งหลายกล่าวถึงการศึกษา เพราะการบุคที่พักพันอยู่ในโลกอธิบายว่าคำว่าการศึกษาได้แก่การศึกษาเรื่องช้างการศึกษาเรื่องมา้าการศึกษาเรื่องรถการศึกษาเรื่องธนูการเสกเป่าวิชาผ่าตัดการบาบัดรักษาทางยาวิชาหมอผีวิชาหมอเด็กกุมารเวทคำว่ากล่าวถึงได้แก่กล่าวถึงคือเล่าถึงพูดถึงบอกถึง แสดงถึงชี้แจงถึงอีกในหนึ่งคําว่ากล่าวถึงได้แก่เรียนเล่าเรียนทรงจําเข้าไปทรงจําเพื่อได้กลามคุณที่ผัวพันอยู่กลามคุณห้าคือหนึ่งรูปที่รู้ได้ทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชัคให้ใคร่พาใจให้กําหนัด 2. เสียงที่รู้ได้ทางหู ห้าโพธะพระที่รู้ได้ทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดตรัสเรียกว่ากามคุณที่พัวพันอยู่เพราะเหตุไรกามคุณห้าจึงตรัสเรียกว่ากามคุณที่พัวพันอยู่เทวดาและมนุษย์โดยมากต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังกามคุณห้า เพราะเหตุนั้นกลามคุณห้าจึงตรัสเรียกว่ากลามคุณที่พัวพันอยู่คําว่าในโลกได้แก่ในมนุษย์โลกรวมความว่าคนทั้งหลายกล่าวถึงการศึกษาเพราะกลามคุณที่พัวพันอยู่ในโลกคําว่าบุคคลไม่พึงเป็นผู้นขนถวายในการศึกษาหรือกลามคุณเหล่านั้นอธิบายว่าบุคคลไม่พึงนขนถวาย คือไม่พึงเองไปไม่โอนไปไม่น้อมไปไม่โน้มใจไปไม่พึงเป็นผู้มีการศึกษาหรือกามคุณห้านั้นๆเป็นใหญ่รวมความว่าบุคคลไม่พึงเป็นผู้ขนขวายในการศึกษาหรือกามคุณเหล่านั้นคําว่ารู้แจ้งแล้วในคําว่ารู้แจ้งกามโดยประการทั้งปวงแล้วได้แก่แทงตลอดแล้วคือแทงตลอดแล้วว่า สังขารทั้งปวงไม่เทียมสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าโดยประการทั้งปวงได้แก่ทุกสิ่งโดยประการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าโดยประการทั้งปวงนี้เป็นคำกล่าวรวมไว้ทั้งหมดคำว่ากามได้แก่ กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกรามสองกิเลสกรามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกรามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกามรวมความว่ารู้แจ้งกรามโดยประการทั้งปวงแล้วคําว่าศึกษาในคําว่าพึงศึกษาเพื่อความดับกิเลส ข, ของตนได้แก่ศึกษาสามอย่างคือหนึ่งอธิศินละศึกษา สอธิจิตตสิกขาสอธิปัญญาสิกขานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาคําว่าเพื่อความดับกิเลส ข, ของตนอธิบายว่าพึงศึกษาทั้งอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเพื่อดับราคะดับโทสะดับโมหะเพื่อสงบเข้าไปสงบสงบเย็นดับสลัดทิ้ง สงบประนักอกุเลาภิสังขารทุกประเภทของตนเสียได้สิขาสามเหล่านี้เมื่อบุคคลนึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทราบชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทําไม่แจ้งสิ่งที่ควรทําไม่แจ้งชื่อว่าพึงศึกษาเพือพึองประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติรวมความว่าพึงศึกษาเพื่อความดับกิเลส ข, ของตนโดยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนทั้งหลายกล่าวถึงการศึกษาเพราะการมคุณที่ผัวพันอยู่ในโลกบุคคลไม่พึงเป็นผู้ขวนขวายในการศึกษาหรือกามคุณเหล่านั้นรู้แจ้งกามโดยประการทั้งปวงแล้วพึงศึกษาเพื่อความดับกิเลส ข, ของตนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีพึงเป็นผู้มีสัจจะไม่ขนอง ไม่มีความหลอกลวงปราศจากวาจาส่อเสียดไม่โกรธข้ามพ้นความโลภอันชั่วและความหวงแหนได้แล้วคำว่าพึงเป็นผู้มีสัจจะในคำว่ามุนีพึงเป็นผู้มีสัจจะไม่ขนองอธิบายว่าพึงประกอบด้วยวาจาสัจคือประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดรวมความว่าพึงเป็นผู้มีสัจจะ คำว่าไม่ขนองได้แก่ความขนองสามอย่างคือหนึ่งความขนองทางกายสองความขนองทางวาจาสความขนองทางใจนี้ชื่อว่าความขนองทางใจความขนองสามอย่างเหล่านี้ผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเอยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่า ผู้ไม่ขนองรวมความว่ามุนีพึงเป็นผู้มีสัจจะไม่ขนองว่าด้วยความเป็นผู้หลอกลวงคําว่าไม่มีความหลอกลวงปราศจากวาจาส่อเสียดอธิบายว่าความประพฤติหลอกลวงตรัสเรียกว่าความหลอกลวงคนบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วตั้งความปรารถนาชั่วชาม เพราะการปกปิดทุจริตนั้นเป็นเหตุคือปรารถนาว่าใครอย่ารู้ทันเราเลยดํารทธิว่าใครอย่ารู้ทันเราเลยกล่าววาจาด้วยคิดว่าใครอย่ารู้ทันเราเลยพยายามทางกายด้วยคิดว่าใครอย่ารู้ทันเราเลยความหลอกลวงความเป็นผู้มีความหลอกลวงความเสแสร้งความลวงความล่อลวงการปิดบังการหลบเลี่ยง การหลีกเลี่ยงการซ่อนการซ่อนเร้นการปิดการปกปิดการไม่เปิดเผยการไม่ทำให้แจ่มแจ้งการปิดสนิทการทำความชั่วเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าความหลอกลวงความหลอกลวงนี้ผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยานแล้ว ผู้นั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีความหลอกลวงคำว่าวาจาส่อเสียดในคำว่าปราศจากวาจาส่อเสียดอธิบายว่าคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดบุคคลย่อมนำวาจาส่อเสียดเข้าไปด้วยประสงค์ให้เขาแตกกันวาจาส่อเสียนี้ผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้ว ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าผู้ปราศจากวาจาส่อเสียดคือหมดวาจาส่อเสียดแล้วรวมความว่าไม่มีความหลอกลวงปราศจากวาจาส่อเสียดคำว่าไม่โกรธในคำว่ามุนีไม่โกรธข้ามพ้นความโลภอันชั่วและความหวงแหนได้แล้วอธิบายว่ากล่าวไว้แล้วแลันหนึ่ง ควรกล่าวถึงความโกรธก่อนความโกรธย่อมเกิดได้เพราะเหตุสิบอย่างความโกรธนั้นผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นตราดเรียกว่าผู้ไม่โกรธบุคคลชื่อว่าผู้ไม่โกรธเพราะละความโกรธได้แล้วบุคคลชื่อว่าผู้ไม่โกรธ เพราะกำหนดรู้วัตถุแห่งความโกรธได้แล้วบุคคลชื่อว่าผู้ไม่โกรธเพราะตัดเหตุแห่งความโกรธได้แล้วคาว่าความโลภได้แก่ความโลภอิริยาที่โลภภาวะที่โลภอภิชาอากุศลมูลคือโลภะมัจฉริยะห้าอย่างคือหนึ่งอาว า, ามัจฉริยะความมุ่งแต่จะได้ตรัสเรียกว่าความตรณี คำว่ามุนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดผู้ก้าว่วมกิเลสเครื่องพล้องและตันหาดุจตาข่ายได้แล้วชื่อว่ามุนีคำว่ามุนีไม่โกรธข้ามพ้นความโลภอันชั่วและความห่วงแหนได้แล้วอธิบายว่ามุนีข้ามได้แล้วคือข้ามไปได้แล้วข้ามพ้นแล้วก้าวล่วงแล้ว ก้าวล่วงด้วยดีล่วงเลยแล้วซึ่งความโลภอันชั่วและความห่วงแหนได้แล้วรวมความว่ามูนีไม่โกรธข้ามพ้นความโรบอันชั่วและความห่วงแหนได้แล้วโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีพึงเป็นผู้มีสัจจะไม่ขนองไม่มีความหลอกลวงปราศจากวาจาส่อเสียดไม่โกรธข้ามพ้นความโลคอันชั่วและความห่วงแหนได้แล้ว หนึ็พระผู้มีพระภาคตรัสว่านรชนพึงควบคุมความหลับความเกียจคร้านความย่อท้อไม่พึงอยู่ได้ความประมาทไม่พึงตั้งอยู่ในความดูหมิ่นพึงน้อมใจไปนิพพานว่าด้วยความเกียจคร้านคำว่าพึงควบคุมความหลับความเกียจคร้านความย่อท้ออธิบายว่าคำว่าความหลับ ได้แก่ความที่กายไม่คล่องแคล่วความที่กายไม่ควรแก่การงานอาการหยุดอาการพักอาการพักผ่อนภายในความง่วงภาวะที่หลับอาการสปประบังกความหลับกิริยาที่หลับภาวะที่หลับคําว่าความเกียดครานได้แก่ความเกียรครานกิริยาที่เกียรครานภาวะที่เกียรครานความเป็นผู้มีใจเกียดครานความที่เกียร กิริยาที่ขี้เกียจภาวะที่ขี้เกียจคําว่าความย่อท้อได้แก่ความที่จิตไม่คล่องแคล่วความที่จิตไม่ควรแก่การงานความหดหู่กิริยาที่โหดหู่ความท้อถอยกิริยาที่ท้อถอยภาวะที่ท้อถอยความย่อท้อกิริยาที่ย่อท้อความเป็นผู้มีจิตย่อท้อคาว่าพึงควบคุมความหลับ ความเกลียดคร้านความย่อท้ออธิบายว่าพึงควบคุมคือครอบครองยึดครองครอบงำท่วมทับรัดรึงย่ํายีความหลับความเกลียดคร้านและความย่อท้อรวมความว่าพึงควบคุมความหลับความเกียดคร้านความย่อท้อคาว่าไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทอธิบายว่าขอกล่าวถึงความประมาทความปล่อยจิตไป หรือการเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกามคุณห้วยกกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือการทําโดยไม่เคารพการทําที่ไม่ให้ติดต่อการทําที่ไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งทุระความไม่เจ็ความไม่เจริญความไม่ทําให้มากความตั้งใจไม่จริงความไม่มันประกอบ ความประมาทในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าความประมาทความประมาทกิริยาที่ประมาทภาวะที่ประมาทมีลักษณะเช่นว่านี้นี้ตรัสเรียกว่าความประมาทคําว่าไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทอธิบายว่าไม่พึงอยู่คือไม่พึงอยู่ร่วมไม่พึงอยู่อาศัยไม่พึงอยู่ครองกับความประมาทได้แก่พึงละบรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกเึ่งความประมาทคือพึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความประมาทมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทคาว่าความดูหมินในคาว่าไม่พึงตั้งอยู่ในความดูหมินอธิบายว่า คนบางคนในโลกนี้ดูหมิ่นผู้อื่นเพราะชาติบ้างเพราะโคตรบ้างเพราะเรื่องอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุดธงความเหอเหอมิมความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุดธงเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าความดูหมิน่น คำว่าไม่พึงตั้งอยู่ในความดูหมิน่นอธิบายว่าไม่พึงตั้งอยู่คือไม่พึงดำรงอยู่ในความดูหมิน่นได้แก่พึงละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความดูหมิน่นคือพึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความดูหมิน่นมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่า ไม่พึงตั้งอยู่ในความโดมินว่าด้วยการทําบุญมุ่งนิพพานคำว่านราชนพึงน้อมใจไปในนิพพานอธิบายว่าคนบางคนในโลกนี้เมื่อให้ทานสมาทานศีลทำอุโบสถกรรมตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณวัดไหวเจดี D, วางของหอมและมาลาที่เจดีทําประทักศินเจดี บำเพ็ญกุศลาภิสังคานอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นไปในไตรธาตุก็มิใช่เพราะเหตุแห่งคติมิใช่เพราะเหตุแห่งการถือกําเนิดมิใช่เพราะเหตุแห่งปฏิสนธิมิใช่เพราะเหตุแห่งพบมิใช่เพราะเหตุแห่งสงสารมิใช่เพราะเหตุแห่งวัตตะเป็นผู้ประสงค์จะพรากจากทุกข์เอ็นไปในนิพพานโอนไปในนิพพานโน้มไปในนิพพานบำเพ็ญกุศลทั้งปวงนั้นรวมความว่า นรชนพึงน้อมใจไปในนิพพานอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งนรชนบังคับจิตให้กลับจากสังขารธาตุาทั้งปวงน้อมจิตเข้าไปในอมะตะธาตุว่าทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทเป็นธรรมชาติสงบปราณีตรวมความว่า นรชนพึง น, น้อมใจไปในนิพพานอย่างนี้บ้างบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้ทานเพราะเหตุแห่งสุขอันก่ออุปธิเพื่อพบใหม่แต่บัณฑิตเหล่านั้นย่อมให้ทานเพื่อความหมดสิ้นอุปธิเพื่อนิพพานอันไม่มีพบใหม่บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เจริญฌานเพราะเหตุแห่งสุขอันก่ออุปธิเพื่อพบใหม่แต่บัณฑิตเหล่านั้นย่อมเจริญฌานเพื่อความหมดสิ้นอุปธิ เพื่อนิพพานอันไม่มีพบใหม่บัณฑิตเหล่านั้นมีใจมุ่งนิพพานมีจิตโน้มไปในนิพพานนั้นมีจิตน้อมไปในนิพพานนั้นให้ทานบัณฑิตเหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีนิพพานเป็นเบื้องหน้าเหมือนแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลฉะนั้นรวมความว่านรชนพึงน้อมใจไปในนิพพานด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า นรชนพึงควบคุมความหลับความเกียดคร้านความย่อท้อไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงตั้งอยู่ในความดูหมิน่นพึงน้อมใจไปในนิพพาน